และธรรมเทศนาลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีเชื่อเรื่องว่าเดินสายกลางหนทางสู่ปัญญาวันนี้เป็นวันที่8กันยายนพุทธศักราช2554ั25วันนี้พระไม่มาฉัน1ิสองรูป พระ48ไม่มาชันส2บสองดไปหลายองค์วันนี้การอดอาหารหลวงพ่อก็เคยพูดแนะนำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ท่านตำหนิว่าอัตตะกิลมัทธามัชมาปฏิปทาการมัสุขันลิกา กามาสุขันลิกาก็คือปฏิบัติย่อย่อนก็ไม่สามารถที่จะเห็นมักเห็นผลได้อัตตกิลมัตถาปฏิบัติตึงตึงจนเกินไปก็ไม่สามารถที่จะเห็นมักเห็นผลได้แล้วก็เดินสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทา ถึงจะเห็นผลแต่แตอนี้พวกเราที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังเราจะทํำยังไงทั้งสามอย่างทั้งกามสุขันเลกะทั้งมัชฌิมาปฏิปทาทั้งอะตักคีัตมัทานเนี่ยเราจะทํำยังไงเราจะปิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผลอย่างไรถ้าว่าเราทําธรรมดาธรรมดาธรรมดา แล้วก็แข่งจนเกินไปอดอาหารอดนอนยืนขาเดียวนั่งตากแดดทั้งวันตากฝนทั้งวันลงไปแช่ในน้ำอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าอัธกิลมัฏฐาน ก, กามาสุขันิกาออไม่ต้องพูดถึงแบบเราอยู่ทั่วๆไปอยากจะกินก็นอนกินอยากจะนอนก็นอน อยากจะทำอะไรก็ทำมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเกิดขึ้นมาไม่ได้เหมือนกับคนทั่วไปจะได้จำเร็จมรรคํำเร็จผลจะเป็นไปได้ไหมไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะไม่ได้สนใจทำความภาคความเพียรอเ น, นว่ากามาสุขันลิกาปล่อยป่ละเลยแล้วก็มัชฌิ ม, มาปฏิปทานทางสายกลาง เดือนขนาดไหนอัตกิลามัทธาเคร่งขนาดไหนอันนี้มันต้องดูตัวเองสรุปแล้วให้มองตนเองเหมือนกับเราหาเงินอย่างนั้นเราสสแสวงหาทรัพย์กับหาธรรมคือหาธรรมยิ่งละเอียดอ่อนแต่หาเงินหยาบลงมาแต่การหาเงินเราจะหาแบบเที่ยวเที่ยวเล่นเล่นไม่ได้สนใจ อยู่ปล่อยปาละเลยคนนั้นจะเป็นเศษฐีขึ้นมาเนี่ยเรานั่งหลับตาคิดดูสิว่าเป็นไปได้ไหม <c oughs> ไม่ต้องหลับตาคิดหรอกลืมตาคิดก็เป็นไปไม่ได้แต่ตอนนี้ถ้าหากเคร่งคัดจนเกินไปทําจนอไม่รู้จักเว ล, เวลาหหามรุงหามข่ําเหมือนกับบ้านละหำ่ทำทางานอย่างนั้นอะ่ะ และผลมันออกมายัางไงผลในสุดของตัวเองจะเป็นบ้าก่อนเพราะยังไม่ได้เงินตัวเองตายก่อนแต่มัชฌิมาปฏิปทาคาน้เราจะเอาขนาดไหนจึงจะพอเหมาะฮนอนเป็นเวลาเท่านั้นเจ้ก่อ น, น, นกินเป็นเวลาเท่านี้นเะก่อ น, นคุยเป็นเวลาเท่านี้นเะก่อ น, นอย่างงั้นละ่ะอันนี้มันก็ต้องดูตนเองอีกเหมือนกัน ตัวไหนควรจะเร่งเออสมมติว่างานเข้ามาละข่าวเนี่ยจะต้องหาเงิน่งานจะต้องทำงานตัวเองก็ต้องนอนซะก่อนนะพอเดินสายกลางอย่างนั้นอ่ะมันจะได้ไหมมันก็ต้องถึงเขาเร่งมันก็ต้องเร่ง เ, เร่งรับงานสู้กับงานนั้นๆเพื่อรับงานนั้นนั้นเพื่อกิจการนั้นนั้น มันสําเร็จอันนี้เราจะจะทํำยังไงคําว่าสายกลางครับทําเป็นวันๆตั้งเวลาจะก่อนจะค่อยทําอย่างงั้นหรอมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าตำหนิที่ไหเราดูบ่อมบลมครูของพวกเราที่พระพุทธเจ้าตัหนิว่าอัตตะกิลมัตฐานะคืออะไรที่พระพุทธเจ้าอดปักกาหารทั้ง4ี่บเวัน อ, อดอย่างเดียวไม่ได้บำเพ็ญทางด้านจิตใจอดอย่างเดียวเพื่อจะให้สำเร็จมรรสําเร็จผลในการอดอดไปเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะอะไรเพราะไม่ได้บำเพ็ญทางด้านจิตตภาวนาบำเพ็ญกายทรมานกายให้ลำบากเปล่าแต่ทีนี้ถ้าหาว่าเราการภาวนาของเราตามที่ องหลวงตาหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานเนี่ยที่ท่านบอกอดนอนผ่อนอาหารอดนอนคล้ายๆกะว่าเราอยู่กินตามลําพังร่างกายของเรามีกําลังมันคึกมันขนองมันมีกําลังจนเกินไปเหมือนกับช้างมันจะตกมันลักษณะอย่างนั้นอ่ะมันอาหารสมบูรณ์เกินไปช้างมันตกมัน มันลืมกระทั่งเจ้าของมันฆ่าเจ้าของมากต่อมากช้างตกมันนี่ก็เหมือนกันถ้าเราบำรุงบำรเร่อร่างกายของเราจนเกินไปมันก็จะลืมสินลืมทำมันจะฝักไฟไปในทางกามกิเลส น, นะมันถลำไปทางนู้นทาเีเพราะร่างกายของเรารั้งไม่อยู่มันดันไปนี่อันนี้ก็อันนี้เราก็ต้องรู้จักประมาณตน เต่ว่าเร่งในสในควรสถานที่ควรเร่งเมื่องานเข้ามาเราควรทำอย่างไรอย่างที่ได้พูดแนนวบองตนว่าเราจะวางตัวยังไงในมัชฌิ ม, มาปฏิปทาเราจะเดินสายกลางเราจะเดินในในลักษณะไหนตั้งเวลาเจ้าก่อนให้ได้เปี้ยเป๊ะเป๊ะทุกวล่ลงเวลากินเวลานั้นนอนเวลานั้นศึกษาเวลานั้นอ่านหนังสือเวลานั้นทำงานเวลานั้น อย่างนั้นเหรอเจวัลมัตชิมาก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกสรุปแล้วก็คือให้รู้จักการสถานที่บุคคลการเช่นนี้เราภาวนาเป็นยังไงใจของเราก็สู่ความสงบเราก็เล่งความเพียรในช่วงนั้นเออเหมือนกับงานเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องเล่งทำงานทำมันช่วงไหนงานไม่เข้ามาเราก็เอเอะชะลอชะลอดูงานว่ามันจะเข้ามาเมื่อไหร่ ตเมื่อมันเมื่อมันเข้ามาเราก็ต้งอดนอนทั้งผ่อนอาหารทั้งเตรียมเต็มที่ด้วยในการพิจารณาการกรองไตรตรองสรุปแล้วก็คือให้มีหนักมีหนักมีเบาไม่ใช่เบาไปตลอดก็ไม่ใช่หนักไปตลอดก็ไม่ใช่สรุปแล้วก็คือให้มีหนักมีหนักมีเบาเวลาอดอาหารอดนอนมันก็หนักแต่ว่าเราอยู่ธรรมดาก็เบา แต่เบาไปตลอดก็ไม่ได้ไม่เห็นมักเห็นผลแต่มันหนักไปตลอดในช่วงที่หนักมันช่วงที่มันควรจะหนักมันก็หนักเฮ้ยอะไรพองุ้งช่วงงานเข้ามาเราภาวนาแล้วเราจับถูกทางแล้วถูกที่ถูกทางแล้วใจของเราเข้าอยู่ในวงเข้าสู่ในแดนสงบพอสมควรแล้วพิจารณาอะไรมันติดเออ มันคล้ายๆมันมันรู้มันเห็นมันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมันเหมือนกับถ้าเ ป, เป็นแกงก็ไม่ใส่เกลือลักษณ ะ, ะ น, น, นั้นมันจืดๆแต่บัดนี้มันมีรสมีชาติขึ้นมาการนั่งสมาธิของเราเข้าท่าการเดินโยกงของเราก็เาข้าท่าทำอะไรเข้าท่าการพิจารณาอะไรก็เป็นไปได้ ในช่วงนี้เราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณากานกลองไตรตรองในเรื่องนั้นๆพยายามเร่งความภาคความเพียรในช่วงนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือถ้าจะว่าไปแล้วก็คือมัชฌิ ม, มาปฏิปทาเดินสายกลางช่วงไหนที่เราควรจะเป็นสมาธิเราก็ควรทำสมาธิเวลาไหนเราควรจะเดินปัญญาเราก็ต้องเดินปัญญา มันรู้จักในในตัวของเราเองถ้าว่าจิตใจช่วงไหนมันปุงฟุง้งมันเอาไม่อยู่เราก็พยายามเดินตั้งเอาสมาธิเข้ามาจับแต่ทั้งถ้าถาสมาธิมันมาจับแล้วมันก็นยังไม่อยู่เอาปัญญาอบรมสมาธิต้องใช้ปัญญาอบรมสมาธิให้มันคิดมันอยากจะคิดหรือเอาให้มันคิดคิดให้ดูร่างกายของเรา เกษาผมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าร่างกายของเราจะเต็มไปด้วยเลือดด้วยลำไส้ด้วยปอดด้วยอสุภะปฏิกูลถ้าจำไลออกมาถ้าแยกส่วนแบ่งส่วนออกมาร่างกายของเราเป็นยังไงถ้ามันอยากจะคิดให้มันคิดอยู่ตรงนี้นี่ อันนี้ว่าปัญญาใช้ปัญญาในแนวความคิดปัญญาอบรมสมาธิในเมื่อมันปัญญามันคิดอยู่ในร่างกายของเราเห็นตามเห็นอยู่ในร่างกายของเรามันจะคิดให้มันคิดอยู่ตรงนี้ตั้งแต่กระโหลกศีรษะเป็นยังไงกระโหลกเบ้าตาเป็นยังไงกระดูกจมูกเป็นยังไงกระดูกฟันเป็นยังไงกระดูกขากรรไกรเป็นยังไงกระดูกคอเป็นยังไง กระดูกหปารป้าไปยังไงกระดูกแขนกระดูกชี้โครงเปยังไงดูกระดูกอีกไล่เป็นข้อๆลงไปจนถึงกระดูกข้อเท้าทั้งสองข้างแล้วกลับขึ้นมาอีกอันนี้เป็นว่าปัญญาใช้ใช้ปัญญาคือใช้ความคิดคิดในหลักกรรมฐานใช้ปัญญาตรอมให้ใจของเราอยู่จากนั้นพอเราเห็นว่าจุดไหน ในร่างกายของเราเราเห็นกระดูกจุดไหนหรือเห็นอวัยวะลำตับไตไส้หัวใจเห็นชัดในความรู้สึกเห็นชัดในความรู้สึกเราก็เอาจับเอาจิตของเราด้วยใจของเราจ่อหรือกําหนดจุดจุดนั้นดูให้เห็นชัดเจนพอจิตใจใจของเราไม่ไม่ไปทางอื่นใจของเราอยู่ในจุดนั้น ดูในจุดนั้นรู้ในจุดนั้นใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบเพราะมันใจไม่ออกไปข้างนอกเนี่อันนี้แปลว่าปัญญาอบรมสมาธิให้ใช้ความคิดซะก่อนจึงทำจิตใจให้นิ่งได้แต่ถ้าบางครั้งนะเรานั่งภาวนาเออวันนี้ใจของเรารู้สึกว่าสงบใจของเราไม่ปู่ใจของเราไม่ฟุ้งไม่ซ่านวันนีน้นั่งภาวนาจะรู้ได้โดยตนเองอีกเหมือนกันนักปฏิบัติ พอนั่งเข้าไปนี่ใจของเราก็เน่งใจสบายเราก็กําหนดลมหาย ใ, ใจเข้าหาย ใ, ใจออกก็อยู่ได้มันแปลกแตกต่างกว่าบางวันแต่บางวันเน่ยมันเหมือนกับมันคลึกมันมันคลึกมันขนองอย่างนั้นอะ่ะเหมือนกับมา้าหรือว่าสัตว์แต่ก่อนก็ดีๆเราใช้การใช้งานแต่กลับมาอีกวันหนึ่งมันมันจะสู้คลงงั้นแต่มันจะชนใข่ต่อใคร เราจะใช้ไม้ไหนหเข้าไปบังคับจุดนั้นนี่ะท่านว่าให้ใช้ปัญญาอบรมสมาธิแต่ในช่วงไหนที่ใจของเรามันเชื่องมันอยู่ความในความสงบเราก็กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกหรือให้มีสติอยู่ในกายของเราอาการ32หรือว่าอาการทุก อย่างของร่างกายแขนขามันขยับยังไงมันเคลื่อนไหวอย่างไรถ้าว่าร่างกายเรานั่งอยู่มันไม่เคลื่อนไหวลมหายใจเข้าออกนะ่ให้ดูที่ลมหายใจเข้าออกถ้าเรานั่งถ้าเราเดินดวยืนอยู่ในอกับกิริยาใดเราก็ให้รู้ในอกับกิริยานั้นๆมีสติสัมปชัญญะ ในอกับกิริยา น, านั้นแต่ถ้าว่าเรานั่งสมาธิการไม่เคลื่อนไหวของร่างกายแต่ลมหายใจเข้ามันยังเข้ายังออกอยู่เพราะเรายังไม่ตายเราก็กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้ก็คือวิธีการทำจิตใจให้สงบในเมื่อจิตใจของเราสงบ พอสมควรแล้วเราก็นำมาพิจารณาทางวิปัสสนาคือเดินวิปัสสนาคือนำใจที่มันสงบนั่นให้มันออกให้มันออกทำงานให้มันคิดแต่พูดง่ายๆให้มันคิดดูร่างกายสังขารของเราให้คิดดูร่างกายว่าร่างกายของเรามีอะไรบ้างที่มนุษย์สัพสัตต์ทั้งหลายในโลกนี้หลงร่างกายของตนเอง ร่างกายของเรามีอะไรบ้างตามไม่จริงร่างกายทุกๆคนมันก็เหมือนกันหญิงชายแปกต่างกันคือหญิงชายแต่มีทังเนื้อเอ็นกระดูกเหมือนกันแต่ว่าใจกนใจของแต่ละคนที่อยู่ในร่างตัวนี้นะตัวนี้แหละสำคัญมันเป็นหลงมันไปให้ความสำคัญมันไม่ให้ไปให้ความสำคัญร่างกาย ร่างพอสัมผัสคั น, นให้ความสาคัญร่างกายตนเองแล้วมันยังให้ความสาคัญสิ่งภายนอกคือร่างกายของคนอื่นในเมื่อให้ความสาคัญร่างกายขอคนค น, คนอื่นมันก็ให้ความสาคัญในการเป็นอยู่ปัจจัยสี่แถมเข้าไปอีกไม่รู้อะไรตัวมิอะไระจากนั้นกัะที่พักพาอาศัยยศถาบรรดาศักลาบยศชนเสริมมันออกมาเพื่อกายทั้งนั้น ใจมันขนเข้ามาเพื่อกายแต่คนทั้งหลายไม่เห็นไม่เห็นใจถ้ามาเห็นใจนะพวกเราโค้งอยโอ้โหแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะท่านเห็นใจแต่มนุษย์โลกทั้งหลายสปปรรพสัตว์ทั้งหลายสัตวโลกทั้งหลายท่านเห็นแต่ร่างกายกันแต่ใจของเราแต่แต่ละคนมันมองไม่เห็นนอกจากตัวเองเท่านั้นนะเราคิดเรื่องอะไรเรามุ่งหวังอะไรเราต้องการอะไรนย เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราดูเข้ามาดูที่ใจของตอนเองถ้าหากว่าไม่จิตใจไม่เป็นสมาธิแล้วจะมองใจหรือจะหาใจตนเองนั้นไม่ได้นะการจะพิจารณาอะไรก็ตามเรื่องสมาธิเป็นถึงที่จําเป็นสําคัญเป็นเบื้องต้นจะเรียนหนังสือจะทําอะไรก็ตามต้องมีสมาธิพอสมควรเราจะเอาค้นบ้าก้นขาดติไปเรียนหนังสือ จะเรียนได้ไหมสติตัวนี้มันมีทุกระดับที่จะระดับที่จะตัดมักรถึงมักระถึงผลถึงความพ้นทุกในวัฏฏะสงสารนั้นอันนี้ต้องมหาสติมหาปัญญาสติปัญญาที่แน่วแน่ป็นติปัญญาที่เข้มแข็งที่จะตัดภพตัดชาติที่จะรู้แจ้งเห็นจริงได้อันนี้แหละอันนี้ก็คือหลักของพุท ธ, ธะขอให้พวกเรา พิจารณาการของไตร่ตรองเรื่าการได้ยินได้ฟังทุกครั้งด้วแห่งหนตำบลใดครูบาอาจารย์องค์ใดก็ตามเราต้องเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายหรือว่าเป็นผู้เชื่อฟัง่วนหนึ่งแต่ว่าคําว่าเชื่อฟังหรือว่าเป็นผู้ว่าง่ายคํานี้ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนหัวอ่อนเขาจูงไปทไหนเขาไปไม่ใช่อย่างนั้น ถ้าอย่ายงไรอย่างนั้นไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องมีเหตุผลจะเชื่อจิงไหนก็ตามต้องเชื่อด้ดยหลักเหตุผลต้องกันกรองไตรตรองดูให้ดีซะก่อนยังค่อยเชื่อเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นพวกแข็งแข็งกระด้างพวกเราเห็นใครก็ตาม ถ้าว่าไม่ยอมฟังหลักเหตุผลแข็งกระด้างพวกเราก็จนปัญญาเหมือนกันนะพูดอะไรให้ฟังเลยเอาแต่ดันแต่ทุหลังเอาแต่รูตัวเองผลนิสโชนก็เอาผักหลังให้ไปเลยสู้ไปจัดการไปทําไปผลนสโชก็ต้องวิ่งมาหาหมู่อีกอย่างเก่าเพราะตัวเองทําไปไม่รอดเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันดันทุหลังนี่ถ้าเราหัวอ่อนจนเกินไป ใ, นใครพูดอะไรก็เชื่อทั้งหมด อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถูกทางเราต้องฟังกันกรองไตรตรองเหตุและผลจากนั้นนัดนำนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นกระจกเงาพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรที่ท่านสอนเวนนายสศัตร์มาถึงแม้สองันารอยก่าปีจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ที่ท่านหยิบ มาแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านมีเหตุผลอย่างไรอันนี้พวกเราก็ต้องฟังพอฟังเสร็จแล้วก็กันกรองไต่ตรองจากนั้นลงมือเดินตามประพฤติปฏิบัติตามแต่อันดับแรกในตอนนี่ตลวงพ่อบอกว่าให้มีสติสัมปชัญญะถ้าพวกเราขาดสติสัมสปชัญญะคือไม่ตั้งสติให้แน่วแน่ไม่ตั้งสติให้มั่นคงเราจะพิจารณารม หรือเราจะทำสิ่งไหนโดยมากจะไม่สำเร็จสมความมุ่ง ม, มาดนปราถนาเพราะอะไรเพราะขาดสติเรื่องสตินี่เป็นกุญแจดอกแรกที่พวกเราจะต้องฝึกฝึกให้ได้การเดินยังกลมก็ดีการนั่งภาวนาก็าดีเป็นการฝึกสติการเดินยังกลมก็บขาขวาพุทธขาซ้ายโทพุทโทมีสติสัมปชัญญะในการเดิน เวลาเรานั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้าก็มีสติในลมหายใจเข้าหายใจเข้าพดหายใจออกโตจนจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบพอสมควรจากนั้นก็นำมาพิจารณาการกองไตรตรองในเรื่องเดินทางทางเดินวิปัสสนาต่อไปแถ้าว่าสติของเราอ่อนอยู่แล้วเราจะพิจารณาทมบทอื่นต่อไปนั้นยากจะ ป, ปิดถู ก, ถก จากนั้นก็มันหาจุดหากด้าเกณฑไม่ได้หาจุดจบไม่ได้มันไม่ชัดเจนทักจักอย่างเพราะไรเพราะสติของเรามันอ่อน เ, อเพราะนั้นเรื่องสติเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญในที่ทุกสถานตลอดการทุกมือเรื่องสตเิเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะนักปฏิบัติที่จะภาวนาต้องเรื่องให้ความใส่ใจสนใจเรื่องสติ ถ้ามีสติอยู่กับตัวเองแล้วจะพิจารณาทำข้อความไหนก็ไปก็ไปได้ไปได้เรื่อยๆแล้วผมมัชชิมาปฏิปทากันอย่างที่พูดขนาดไหนายามัชชิมาปฏิปทาอันไหนยวการมัสุขันลิกาอันไหนยว่าอัตตกิลามัตถาที่พระพุทธเจ้าท่านได้พูดด้เทศในธรรมจักรกับวัตนสูตร พวกเรามีแต่เรียนได้ศึกษาแต่บางคนก็เอาเดินสายกลางไม่รู้กลางขนาดไหนโดยมากมันหย่อนจนพอแรงกีเดทเอาไปกินทั้งหมดยังว่ามัดยังมังมชิ ม, มาอยู่แต่ทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นมัดชิ ม, มาต้องดูตนเองตัวเองมีนิสัยหยาบเราก็ต้องเข้มงวดกวดขันเหมือนกับช้าง มันจะตกมันก็ไม่มีใครที่จะรู้ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะอยู่เราก็รู้ว่าเองช้างมันจะตกมันนั่นเอร่างกายของเรามันเกินพิกัดแล้วนั่นเนเราก็ต้องพยายามอดอาหารบังคับให้ร่างกายของเราลดพอดอาหารให้น้อยลงอาหารอันไหนเป็นพิษอาหารอ า, อาหารอันไหนเป็นภัยที่จะเกี่ยวกับการภาวนาของตนเองเราก็ต้องสังเกตดีต้องใช้ปัญญาอีกนี่แหละ นี่แหละ ว, ว่ามัชฌิ ม, มาเดินสายกลางไม่ใช่ว่าเคยชั้นยังไงก็ชั้นยังเก่าอยู่ยังไงก็อยู่อย่างเก่าเออันนั้นไม่ใช่มัชฌิ ม, มานะมัชฌิ ม, มากิเลสถ้านะเป็นลักษณะอย่างนั้นรับพรอนอรุโมทนาให้พร